อา้าวทีมกรรตอยกมือนานๆจะเจอทีมที่ภาวนากันอย่างนี้นะบางทีมก็เก่งเหมือนกันนะแต่ติดเพ่งพวกเราทีมนี้ไม่ค่อยเพ่งกันค่อ ย, อยังชัว่วหนึ่งเราไปติดว่าการภาวนานะต้องเพ่งเอาเพ่งเอา พยายามบังคับกายบังคับใจเรื่อยไปหวังว่าบังคับเก่งๆแล้วมันจะได้มากผลนิพพานมันไม่ได้หรอกคนละเรื่องกันอยากได้มากผลนิพพานนะก็ต้องรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามนะเพราะสภาวธรรมนะที่เรียกว่าปรมัตรธรรมนะคือธรรมะแท้ๆนะมีอยู่สีอย่างอันที่หนึ่งเรียกว่าจิตอันที่สองเรียกเจตสิก เจตสิกเป็นธรรมะที่ประกอบกับจิตอันที่3เรียกว่ารูปอันที่4คือนิพพานอยู่ๆเราเห็นนิพพานไม่ได้เพราะเราไปติดอยู่ในจิตเจตสิกรูปบางคนยิ่งกว่านั้นอีกมัติดอยู่ในสมมุติบัญญัติติดอยู่ในสมมติบัญญัตินะจิตก็ไม่เห็นเจตสิกก็ไม่เห็ น, หนรูปก็ไม่เห็นยิ่งไปใหญ่ สมมติบัญญัติคือสิ่งที่คิดนึกเอาเองไม่เห็นจิตเจตสิกรูปนี่สมมติบัญญัตินะมันปิดบังไม่ให้เราเห็นจิตเจตสิกรูปตัวจิตเจตสิกรูปเองเนี่ยถ้าเรารู้ไม่แจ้งวางไม่ลงมันก็บังไม่ให้เราเห็นนิพพานเราก็ค่อยศึกษาไปลาดับลำดับไป แรกเลยต้องหลุดออกจากโลกของสมมติบัญญัติให้ได้โลกของความคิดนะี่แลมอยู่ในโลกของความเป็นจริงเมื่อเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้เราจะเห็นจิตเจตสิกรูปฟังแล้วฟังยากนะเจตสิกนะี่จิตกับรูปรูปอย่างพอฟังรู้เรื่องนะอย่างร่างกายเป็นรูปนะจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกเป็นสภาวธรรมที่ประกอบกับจิต จิตน um ั้นโดยตัวมันเองเป็น <học> ต <zech> ัวรู้อย <culos> ่างเดียวเฉยๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรรู้เฉยๆไม่มีกุศลอกุศลอะไรเป็นธรรมะที่เป็นกลางๆแต่มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะเป็นกุศลอกุศลเนี่ยเพราะความสุขเพราะความทุกข์มันแทรกเข้าไปเพราะกุศลพราะอกุศลมันแทรกเข้าไปในตัวที่แทรกเข้ามานี่เรียกว่าเจตสิกเกิดร่วมกับจิตทํางานร่วมกับจิตนะรู้อารมณ์มันเดียวกับจิต ดับไปพร้อมกับจิตยกตัวอย่างนะจิตเนี่ยคล้ายๆน้ำบริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสมันเป็นน้ำเขียวน้ำแดงใึ้มาเพราะเราเอาสีไปใส่จิตเนี่ยจะสุขจะทุกข์ขึ้นมาจะดีจะชั่วขึ้นมาก็เพราะว่ามีเจตสิกเข้าไปใส่มันเติมลงไปเราั้นเวลาเราภาวนานะเราค่อยๆดูไปร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกาย นี่คือตัวรูปอยู่ต่างหากในส่วนที่เป็นนมามธรรมนั้นมีจิตกับเจตสิกจิตเป็นตัวรู้เจตสิกเป็นสิ่งต่างๆที่แปลกปลอมเข้ามาอย่างเราภาวนานะมีความสุขขึ้นมาคนทั่วๆไปเห็นว่าเราสุขนี่คนที่ไม่เคยภาวนาเห็นว่าเรามีความสุขนักภาวนานะเห็นไหมจิตมันมีความสุขไม่ใช่เรามีความสุขนะ แต่จิตมันมีความสุขความสุขเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาความสุขไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตเนี่ยตัวที่เข้ามาแทรกแซงมาเติมลงไปในจิตเนี่ยเรียกว่าเจตสิกงั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยถ้าภาวนาชนานาญแล้วเราจะเห็นเลยว่าจิตมันสุขนะไม่ใช่เราสุขหรอกความสุขก็ไม่ใช่จิตด้วยส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่าจิตเป็นตัวเรา จาสำคัญมั่นหมายว่าจิตคือตัวเราเพราะจิตเป็นตัวรู้จิตเป็นประธานของทุกสิ่งทุกอย่างจิตเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงนะตัวรู้เป็นหัวหน้าในธรรมทั้งปวงเราก็เลยรู้สึกตัวนี้แหละคือตัวเราเป็นตัวที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรารู้นะพอมาหัดภาวนาจริงๆเราเห็นเลยจิตไม่ใช่เรานะจิตเป็นธรรมชาตินนหนึงเป็นสภาวะธรรมอันหนึง่งเป็นปรมาธรรมอย่างหนึ่ง ที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรเป็นอารมณ์ให้จิตไปรู้ได้บ้างสมมุติบัญญัติก็เป็นอารมณ์ให้จิตรู้เย่าเราคิดอะไรต่ออะไรเนี่ยจิตเป็นคนรู้ไม่ใช่เรารู้นะนี่ถ้าสําคัญมั่นหมายผิดก็รู้สึกว่าเรารู้เราคิดที่จริงจิตมันคิดจิตมันรู้จิตมันปรุงสมมุติบัญญัติ ก็เป็นอารมณ์มนึงที่จิตรู้รูปธร okay. ปรมร่างกายนี่ก็เป็นอารมณ์มนึงที่จิตรู้เจตสิกก็เป็นอารมณ์มนึงที่จิตรู้ตัวจิตเองก็เป็นอารมณ์ให้จิตรู้ได้จิตดวงก่อนถูกจิตดวงใหม่สดๆร้อนๆที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยรู้จิตดวงก่อนไม่ใช่จิตดวงเดียวรู้จิตดวงเดียวนะจิตดวงใหม่ไปรู้จิตดวงเก่าที่จบไปแล้ว ฉพนั้นจิตเนะรู้อารมณ์ได้กว้างกวา ง, วางนะรู้สมมติบัญญัติก็ได้คือเรื่องราวที่คิดก็ได้นะรู้รูปก็ได้รู้เจตสิกก็ได้รู้จิตก็ได้แถมรู้นิพพานได้ด้วยปัญนญะาอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะมีสองส่วนอารมณ์ที่เป็นความปรุงแต่งก็คือสมมติบัญญัติทั้งหลายนะอารมณ์ที่ เป็นความปรุงแต่งนะแต่เป็นสังขารมีสภาวธรรมรองรับนี่ก็มีจิตมีเจตสิกมีรูปนะอารมณ์ที่พ้นจากความปรุงแต่งก็คือนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งหมดนี้จิตรู้ได้หมดเลยสรุปแล้วจิตทำหน้าที่รู้เท่านั้นเองนะแต่จิตมันไม่รู้เฉยๆหรอกจิตมันไม่ฉลาดมันก็รู้ไปยึดไปนะรู้ไปปรุงไป เราค่อยๆสอนมันนะค่อยๆสอนมันโดยการเอาข้อเท็จจริงมาให้มันดูพามันจเจริญสติไปให้มันมีสตินะพอเรารู้สึกตัวขึ้นมามีสติขึ้นมามันก็หลุดออกจากโลกของสมมุติบัญญัตนะิแล้วหลุดออกจากโลกของความคิดนึกปรุงแต่งแล้วมาอยู่กับโลกของความเป็นจริงโลกของความเป็นจริงก็มารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจรู้จิตเจตสิกรูปนั่นเองนะรู้สิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆ ตัวจิตเจตสิกรูปหรอือย่อลงมาเรียกว่ารูปกับนามจิตกับเจตสิกนี่เป็นนามนธรรมเรียกว่านามอยงั้นจากจิตเจตสิกรูปในะย่อลงมาก็เป็นเหลือแต่รูปกับนามรู้รูปรู้รนามภาษาไทยว่าง่ายๆนะแต่มันไม่ตรงทีเดียวคือรู้กายรู้ใจนามไม่ได้มีแค่ใจหรอกพูดง่ายๆก็มีใจดีใจร้ายอะไรด้วยดีร้ายไม่ใช่ใจหรอกเป็นเจตสิก ใจสุขใจทุกเนี่ยสุขทุกไม่ใช่ใจหรอกเป็นเจตสิกนตัวใจนะตัวจิตเราค่อยๆเรียนไปนะเราจะเห็นในสิ่งที่มันประกอบสภาวะธรรมที่มาประกอบเป็นตัวเราเนี่ยจิตเจตสิกรูปหรือรูปนามหรือกายใจนะเอาเข้อจริงแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราหรอกคอรู้สึกอยู่ที่กายก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะรู้สึกอยู่ที่ความรู้สึก เช่นความสุขเกิดขึ้นก็นรู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็นรู้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็นรูนะ้พวกนี้เจตสิกพอเราเห็นนะั้นเราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเหรอกความสุขความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกุศลอกุศลนะก็เป็นสิ่งแปลกปลอมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปฉิตเป็นคนรู้นี่เราจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดเราดับอย่างร่างกายเนี่ยรูปนะมีรูปหายใจออกรูปหายใจเข้า เกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเกิดดับต่อกันไปเรื่อยๆรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งเกิดต่อเนื่องกันไปเจตสิกนะสุขทุกข์เฉยๆก็เกิดดับหมุนเวียนกันไปเจตสิกในส่วนที่เป็นกุศลอกุศลก็เกิดดับหมุนเวียนกันไปเป็นกลางๆบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างหมุนเกันไปอย่างนี้ทุกอย่างเกิดแล้วดับ ตัวจิตล่ะเกิดดับยังไงดูยังไงให้เห็นจิตเกิดดับดูสิจิตเกิดดับที่ไหนจิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั้นจิตเกิดที่ตาจิตก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูจิตก็ดับที่หูจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายก็ดับที่จมูกที่ลิ้นที่กายจิตเกิดที่ใจจิตไปรู้อารมณ์ทางใจเกิดแล้วก็ดับได้เหมือนกันสังเกตไหมจิตที่ไปดู ก็อยู่ชั่วคราวก็หายไปกลายเป็นจิตที่ไปคิดอย่างเงี้ยจิตที่ไปฟังอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมากลายเป็นจิตที่คิดนี่จิตเกิดดับให้ดูได้เหมือนกันสังเกตไหมในขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อเห็นไหมจิตมาดูหน้าหลวงพ่อจิตอาศัยตามาดูหน้าหลวงพ่อจิตอาศัยหูมาฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดจิตอาศัยใจมาคิดทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อพูด จิตเนี่ยเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนิ่งหมุนเวียนไปเรื่อยเรนะลองดูซิตั้งใจฟังหลวงพ่อขณะเนี้ยรู้สึกไหมบางทีก็มองหน้าเห็นไหย ม, มองหน้าหลวงพ่อบ้างเห็นคนยกหมอข้าวมามองหน้ามองคนยกมอกข้าวนะทีก็จินตนาการต่อมันมีอะไรกินวันนี้ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพวกแถวนี้หน่าสงสารนะเธอเนี้่ยจะได้กลิ่นอาหารโชย <c oughs> พระหลวงพ่อยิ่งหน้าสงสารกว่า ก็พวกเรานะกินข้าวครั้งสุดท้ายเมื่อสิบกว่าชั่วโมงก่อนพระฉันข้าวครั้งสุดท้ายเมื่อยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนเห็นไหมหลวงพ่อพูดแค่นี้หนีไปคิดอุตรุดเลยรู้สึกไหมเใจนะเดี๋ยวก็ดูหลวงพ่อใช่ไหมเดี๋ยวก็ฟังฟังฟังไปนะกลิ่นโชยมาสนใจไมไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะได้ลิ้มรสแล้วนะอีกสักครู่ใจเย็น แล้วสัมผัสทางกายก็สัมผัสใช่ไหมบางทีตั้งใจฟังหลวงพ่อเนี่ยร้อนก็ไม่รู้หนาวก็ไม่รู้แล้วจิตไม่มาที่กายแต่าบางทีพอเบื่อไม่อยากฟังหลวงพ่อนะจิตมาอยู่ที่กายก็มีโอ้มันร้อนไปมันหนาวไปนจิตมันมารู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะอย่างถ้าตั้งใจฟังเนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะถ้ารู้ร้อนรู้หนาว อ, อยู่ก็ไม่ได้ตั้งใจฟังนะถ้าฟังอยู่แล้วคิดนี่ขณะที่คิดก็จะไม่ได้ยินเสียงนะ ขณะที่มองเห็นรูปก็ไม่ได้ยินเสียงนะพวกเราลองไปดูนะนเวลาเราดูทีวีอยู่ที่บ้านนะสังเกตให้ดีขณะที่ตามองเห็นขณะที่หูได้ยินขณะที่ใจคิดคนละขณะกันแต่มันสลับกันรวดเร็วมากจนเรารู้สึกว่าเราฟังพร้อมกับดูพร้อมกับคิดนะจริงๆคนละเวลากันหมุนเวียนปั๊บปั๊บป๊บปไปเพราะฉะนั้นจิตนี่เกิดดับทางทาวารต่างๆ ต, ต, ตลอดเวลานะหรือบางคนนะบริโภค กินข้าวอย่างเดียวไม่พอนะต้องไปร้านอาหารที่มีดนตรีฟังด้วยนะมีบรรยากาศดีๆมีสาวๆมาเสิร์ฟใช่ไหมจะเสพหลายอย่างนะจะกินอาหารให้อร่อยด้วยจะดูสาวสวยด้วยจะฟังเพลงเพราะด้วยเสียเงินทั้งเยอะเลยโง่รู้ไหมขนาดที่ฟังเพลงนั่นเอาอะไรยัดปากไปไม่รู้รสหลอกนะขาดทุนแล้วใช่ไหมไม่ได้กินของอร่อยแล้ว ขณะที่ตั้งใจกินอาหารนะรู้รสอาหารนะหูไม่ได้ยินเสียงเพลงขาดทุนอีกแล้วใช่หไหเราซื้อเพื่อจะบริโภคสามอย่างพร้อมๆกันแต่บริโภคได้ครั้งละอย่างเดียวเพราะฉะนั้นขาดทุนไป6 6ส6ุเปอร์ซนตะขาดทุนยับเยิยนเลยนี่เพราะอะไรพระจิตมันเกิดดับเป็นขณะขณะไปจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเองนะ จิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ลิ้นแล้วก็ดับนะเกิดที่ใจแล้วก็ดับหมุนอยู่อย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนการที่เรามามีสติรู้นะเราจะเห็นเลยร่างกายเกิดแล้วก็ดับเช่นรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าเกิดดับไปเรื่อยรูปยืนเดินนั่งนอนเกิดดับไปเรื่อยเจตสิกทั้งหลายนะความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็หมุนเบียนอยู่ในใจเราทั้งวันนะบางทีก็เกิดที่กายความสุขความทุกข์เกิดที่กายก็ได้น เดี๋ยวมันก็ปวดตรงโน้นเดี๋ยวมันก็คันตรงนี้นะเดี๋ยวฟกเก่าแล้วก็สบายมีความสุขขึ้นมาชั่วคราวเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะมีความทุกข์ในกายเกิดขึ้นบ้างไปบำบัดมันก็มีความสุขทางกายเกิดขึ้นความสุขความทุกข์เกิดที่กายก็ได้เกิดที่ใจก็ได้ใจเป็นสุขก็ได้ใจเป็นทุกข์ก็ได้ถ้าเรามีสติรู้เราจะเห็นเลยจิตใจเรานี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะหมุนเวียนไปเรื่อย บางทีจิตใจก็เป็นกุศลบางทีจิตใจก็เป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปหลายคนมาถามว่าทํายังไงจะดับความโกรธได้ไม่เห็นต้องไปดับมันเลยมันดับโดยตัวของมันเองอะนะไม่มีใครไปดับมันได้หรอกสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับไม่ใช่เราสั่งมันได้อย่างถ้าใจเราคิดไม่ดีกับคนอื่นนะโทสะก็เกิด ทำใดที่ยังคิดไม่ดีอยู่โทสะก็เกิดเพราะเราเปลี่ยนเราไม่คิดทางไม่ดีกับเขาโทสะก็ดับไม่ใช่เพราะกูเก่งนะแต่สภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านมาให้จิตรูนะ้นั้นเกิดดับไปเรื่อยๆนะเพราะฉั้นไม่ต้องไปดับกิเลสหรอกรู้สึกตัวขึ้นมามีสติขึ้นมากิเลสก็ดับของมันเองแนะ้ะไม่ต้องไปหาทางดับทุกทางใจหรอกไม่สร้างทุกทางใจขึ้นมาเองก็ไม่ทุกหรอกนะ คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราสร้างความทุกข์ทางใจให้ตัวเองนะไปดูนะพวกที่มาเรียนลองดูซิจริงไหมคนอื่นสร้างปัญหาให้เรานะแต่เราสร้างทุกข์ให้ตัวเองนะอย่างเขาด่าเนี่ยเขาด่าใช่เขาดา่เ า, ดาเราไม่ชอบใจไม่ชอบเลยเกลียดมันขึ้นมาใจก็ทุกข์แล้วเขาชมใช่มดีใจใจก็ดิ้นไปดิ้นมาดูยากว่าทุกข์นะมีความสุข จริงมีความสุขนะถ้าภาวนาเก่งๆก็จะเห็นนะมีความสุขก็ทุก์นะมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเป็นภาระพนุงพลังในใจเป็นทุกข์อีกใค่อยฝึกไปนะจะเห็นในรูปเกิดแล้วก็ดับนะเจตสิกเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่ ห, หูเกิดที่ใจดับที่ใจเห็นไหมทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปนะเกิดแล้วดับตลอดเวลานะ เราเรียนไปเพื่อให้เห็นอย่างนี้แหละเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดแล้วดับไปนะถึงจุดหนึ่งจิตมันมีปัญญาขึ้นมามันรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะละสักยัตทิฏฐิได้สักยัตทิฏฐิคือความเห็นว่ามีตัวตนถาวรเป็นความเห็นผิดนะเรียกสักยัตทิฏฐินี่มีหนังสือใหม่เล่มหนึ่งคุณสุมเมธเอามาให้ดูที่แรก คุณดําเกลืองเขียนนะหลวงพ่อเป็นคนขอให้แกเขียนอย่างเป็นลูกศิษย์เจ้าคุณนอมาถึงก็วันหนึ่งก็มาเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะเราก็โอ้ดีจังเลยธรรมะท่านดีจังเลยไปบอกว่าอย่ามาเล่าทีเราหน่อยนะไปเขียนมาดีกว่านะเราจะได้เอาไว้อ่านนี่หลวงพ่ออ่านอยู่คนเดียวมาหลายปีลนะปีนี้เกิดใจดีอยากเอามาให้อ่านด้วยกันนะคิดจะไปพิมพ์ให้คุณสุมเมศกับพักพวกนะมาอาสาพิมพ์ให้ เนี่ยเจ้าคุณนอรพูดธรรมะขึ้นหน้าปกได้เฉียบขาดมากเลยท่านบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยนะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะเห็นไหมสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่พระโสดาบันเห็นอย่างนี้งั้นเราไม่ต้องเห็นอะไรมากกว่าพระโสดาบันหรอกนะภาวนาเห็นเห็นทุกอย่างมันเกิดแล้วดับทุกอย่างมันเกิดแล้วดับเห็นเท่านี้แหละเป็นพระโสดาบันได้ทําไมเห็นทุกสิ่งเกิดแล้วดับแล้วเป็นโสดาบันมันจะรู้ว่าไม่มีตัวตนถาบอ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราที่แท้จริงนะแต่พวกเราเป็นมิจฉาทิฐนะิเรายังเป็นปุถุชนส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมมีเราอยู่คนหนึ่ง เ, เราคนนี้กับเราตอนเ ด, เด็กก็เราคนเดิมนะนี่เรารู้สึกอย่างนี้แหละถ้าเรามาหัดนะเห็นสิ่งที่เรียกว่าเรานะมันก็ประกอบด้วยจิตเจตสิกรูป มาเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปจิตเกิดแล้วก็ดับเจตสิกเกิดแล้วก็ดับรูปเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเลยที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีอะไรที่คงอยู่ถาวรทุกสิ่งเกิดแล้วดับพอเห็นอย่างนี้มันละละความเห็นผิดได้ว่ามีตัวตนถาวรไม่มีตัวตนถาวรเพราะว่าทุกอย่างเกิ ด, ด, ดแล้วดับกระทั่งจิตเองเขาเกิดแล้วดับนี่เจ้าคุณนอท่านเลยบอกว่าพระโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นมีดับท่านต่ออีกนะว่าพระรหันรู้ว่า สิ่งใดไม่มีเกิดสิ่งนั้นไม่มีดับพระอราหันต์รู้แจ้งอะไรรู้แจ้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นคือนิพพานพระที่พูดธรรมะได้ขนาดนี้มีไม่กี่องค์หรอกนะนี่พวกเรารู้จักเจ้าคุณนอนในฐานะว่าทําพระเครื่องขลังเท่านั้นเองเราไม่รู้คุณธรรมของท่านนะท่านเป็นพระแท้ๆเลยะเดี๋ยวไปหาอ่านเอาเองนะเนี่ยแต่หลวงพ่อมีเล่มเดียวอย่างไม่ให้อ่ะ <c oughs> <c oughs> ที่วัดนี่คงแจกหลังงานกระถิ่น ตอนนี้หนังสือมันเข้ามาเต็มสต็อกแล้วไม่มีที่เก็บเลยเดี๋ยวฝนตกเสียหายงั้นเราภาวนานะเราไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่ใช่ภาวนาเอาดีไม่ใช่ภาวนาเอาสุขไม่ใช่ภาวนาเอาสงบเพราะอะไรเพราะดีเกิดแล้วก็ดับได้นะสุขเกิดแล้วก็ดับได้สงบเกิดแล้วก็ดับได้ดีได้ก็ยังชั่วได้สงบได้ก็ยังฟุ้งซ่านได้ แั้เราไม่ได้ภาวนาเอาสิ่งซึ่งยังแปรปรวนอย่างนี้มาเป็นที่พึ่งที่อาศัยหรอกแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีถ้าตัวเราไม่มีแล้วอะไรมีอยู่จิตเจตสิกรูปมีอยู่พูดง่ายๆขันห้ามีอยู่นะรูปนามมีอยู่ทุกมีอยู่ทุกมีอยู่นะแต่ไม่มีเราเรียกว่าความทุก์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกขนี่ถ้าได้โสดาจะเห็นเลยความทุกมีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุก แต่ยังยึดนะถ้าโสดาอะไรก็ยังยึดยังไม่แจ้งยังไม่เห็นแจ้งในรูปนามทั้งหมดจริงถ้ารู้แจ้งจริงนะจะปล่อยวางและจะเห็นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสแสวงหานิพพานนะไม่ใช่ว่าไปสร้างนิพพานขึ้นมาทํำยังไงนิพพานจะเกิดนิพพานไม่เกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนิพพานไม่เคยเกิดไม่เคยดับนิพพานมีอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานิ่เดินชนนิพพานอยู่ตลอดเวลานะแต่ไม่เคยเห็นนะ เหมือนกับเราอยู่กับอากาศรู้สึกไหมเราอยู่กับอากาศทั้งวันแต่เราไม่ค่อยรู้สึกถึงมันเพราะอะไรเพราะเพาะว่าไม่เห็นมันมองไม่เห็นเห็นแต่ขี้ฝุ่นใช่ไหมเวลาลมพัดมาเห็นขี้ฝุ่นโอ้ฝุ่นมาความจริงอากาศเคลื่อนที่มาไม่สนใจนะงั้นจริงๆเราเราชนนิพพานอยู่ทั้งวันเราเจอนิพพานอยู่ทั้งวันแต่ไม่เห็นทําไมไม่เห็นเพราะมัวแต่หลงไปอยู่สู่สมมุติบัญญัติอย่างหนึง่งหลงไปอยู่กับจิตเจตสิกรูปอีกอย่างหนึง่งนะ งั้เราค่อยๆเพิกสิ่งที่ขอหุ้มปกคลุมยานทัศนะของเราก็ทําให้เรามองเห็นนิพพานไม่ได้อันแรกเลยรู้สึกตัวขึ้นมาหลุดออกจากโลกของสมุติบัญญัติโลกของความคิดนึกรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่หลุดเป็นหนึ่งละตัวนี้ร้ายที่สุดตัวเนี้เป็นตัวที่ปิดบังสัตว์โลกเอาไว้นะเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นพัดไหมเนี่ยเห็นไหมพอเริ่มเห็นก็เห็นพัดละไม่เห็นรูปเห็นไหมเห็นพัด แล้วอะไรคือรูปสีที่ตัดกันเป็นสวดทรงอย่างนี้แหละคือรูปตาเรามองเห็นอะไรตาเราเห็นพัดหรือตาไม่ได้เห็นพัดนะแต่ตามองเห็นรูปแต่ว่าใจเราเนี่ยชินกับสมมติบัญญัติเราก็รีบสรุปเลยไอ้สีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้แหละเรียกว่าพัดงั้นเห็นอะไรเห็นพัดเห็นอะไรเห็นมือนะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงซึ่งเหล่านี้เป็นแค่สมมติบัญญัติ งั้ภาวนาวันหนึ่งก็เพิกสมมติบรรจัญญิออกไปแล้วก็เห็นรูปแล้วก็รู้ความจริงของรูปรูปก็ไม่ใช่เรานะรู้ความจริงของเวทนาเวทนาก็ไม่ใช่เรารู้ความจริงของสัญญาสังขารวิญญาณมีสับเยอะเหลือเกนนะรวมความก็คือรู้กายรู้ใจแล้วไม่เห็นมีตัวเราตรงไหนนะเนรู้ลงไปอย่างนี้นะในสุดมันจะเข้าไปสู่นิพพานมันจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจไม่มาสะดุดอยู่ที่กายที่ใจเพืไปเห็นนิพพาน คนทั่วไปในะกายกับใจรูปรนามยังไม่เห็นเลยไปสะดุดอยู่ที่สมมุติบัญญัติหมดนะเห็นเห็นพัดใช่ไหมเห็นมือตอนหลวงพ่อเด็กๆนะหลวงพ่อเป็นเด็กเจ้าเล่ห์แต่ชาญฉลาดในธรรมะนี่ต้องบอกอย่างนี้นะเจ้าเล่ห์พิลึกเลยอันนี้พูดเฉียดตัวเองหน่อย <c oughs> นะเดี๋ยวเพื่อน <c oughs> เพื่อนมันมาเรียนทีหลังมันจะว่าเราหลวงพ่อเล่นไล่จับกับเพื่อนหนะลวงพ่อไล่จับมันก่อน เองหนีนะถ้าข้าจับตัวเองได้เองถ้าเป็นคนไล่มันก็วิ่งหนีไปเราวิ่งไปจับมันทําไมเราเลือกไล่จับก่อนแรงยังดีใช่ไหมเรายังแรงดีอยู่ไล่จับมันเพอมีโอกาสถ้าเราเหนื่อยแ h กๆแล้วคงจับมันยากแล้วเราไล่ก่อนจับได้แล้วอ่าเองเป็นคนไล่พอมันไล่นะหลวงพ่อไม่วิ่งให้เหนื่อยแล้วหลวงพ่อเดินสบายๆมันโดดตะครุบมือเราปับ๊บเลยจับตัวเองได้แล้วทำเสียงดังเช่ เฮ้ยจับตัวข้าไม่ได้หรอเองจับมือมันงงรวบเอาทั้งแขนเลยคราวนี้เองจับแขนมาไม่ได้จับตัวมันรัดเราทั้งตัวเลยนะรัดเอวเลยนี่ได้ตัวเองแล้วบอกเองจับเอวมันสรุปอย่างเดียวไอ้ขี้โกงเ <c oughs> นี่ยเสียหายแม้อุตส่าห์แสดงธรรมะให้ฟัง <c oughs> บอกเราไอ้ขี้โกง <c oughs> <c oughs> ก็จริงๆอ่ะมันจับตัวเราไม่ได้เพราะอะไร จริงๆตัวไม่มีเข้าใจไหมสิ่งที่เรียกว่าตัวไม่มีหรอกนี่เล่นตั้งแต่เล็กๆนะเนี่ยแสดงว่าเล่นแบบเป็นธรรมะเหมือนกันนะแต่ธรรมะแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรอกเขาพูดง่ายๆเจ้าเล่ห์แหละแต่แบบมีธรรมะตัวไม่มีนะตอนเด็กๆก็เริ่มรู้สึกละตัวไม่มีเวลาหัดภาวนามาเรื่อยๆนะเนี่ยยรู้สึกอยู่จิตใจยังเป็นเราอยู่ ร่างกายนี้เห็นล้ร่างกายนี้นี่มือนี่แขนนี่อะไรไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่มีตัวแต่จิตใจยังรู้สึกมีตัวนะมาเจอหลวงปู่ดูลมาภาวนามาเห็นจิตนะมันเกิดดับได้จิตเกิดที่ตาดับที่ตาจิตเกิดที่หูดับที่หูจิตเกิดที่ใจคือไปคิดไปนึกอะไรเงี้ยหรือไปเพ่งภาวนาแล้วเพ่งเข้าไปข้างในนี่เกิดที่ใจเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับนะเห็นอย่างนี้เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยทีแรกหัด ดูจิตใหม่ๆนะเห็นกิเลสมันผุดขึ้นกลางหน้าอกพวกเราเห็นไหมกิเลสผุดขึ้นที่กลางหน้าอกนะตรงนี้แหะคือหาทยวัตถุหาทยรูปเป็นที่เกิดของนมามธรรมในอภิธรรมเรียกหาทยรูปแต่ในตำราเนี่ยคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งบอกว่าหาทยรูปอยู่ในหัวใจไม่ได้อยู่ที่หัวใจหรอกนะผ่าหัวใจออกมาก็ไม่เจอนะนะแล้วเพี้ยนหนักก็ไปอีกนะั่นบอกว่าเป็นน้ำเลี้ยงหัวใจสีต่างๆมันมีซะที่ไหนอนะ่นะที่จริงมันผุดขึ้นมากลางอกนี่แหละ ปวดขึ้นมากลางๆรู้สึกไหมสุขทุกขด์ดีช่วปุดขึ้นตรงนี้หลวงพ่อเห็นมันปวดตรงนี้นะั่นเลยไปรอดูมันอยู่พ่อดูนี่แหละว่าจิตอยู่ตรงนี้แหละวันหนึ่งก็ไปถามหลวงปู่ดูหลวงปู่ครับจิตตั้งอยู่ที่ไหนจะให้ท่านรับรองว่าจิตอยู่ที่กลางหน้าอกนี่ถ้าท่านรับรองได้นะั้นเราก็จะเฝ้ารู้อยู่ตรงนี้ตลอดไปเลยหลวงปู่บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งหรอก ฟังแล้วงงเลยนะจิตไม่มีที่ตั้งถ้าไม่จิตไม่มีที่ตั้งอจิตเกิดตรงไหนดับตรงนั้นเลยนะทันทีตรงนั้นเลยเกิดปั๊บดับปั๊บเกิดปั๊บดับจิตไม่ต้องตั้งหรอกจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจไม่ใช่เกิดที่กลางหน้าอกนี่นะไม่ต้องมาตั้งไว้ที่กลางหน้าอกนะมันเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นเพราะงั้นเราไม่ได้ไปเฝ้าอยู่ที่ใดที่หนึ่งถ้าเราภาวนาจะดูจิตดูใจแล้วเราไปจ้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งผิดแน่นอน อย่าไปจ้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้ความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วค่อยๆรู้ให้กิริยาอาการของจิตเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้เช่นจิตไปรู้ที่ตาก็รู้ไปจิตวิ่งไปทางหูรู้สึกมันวิ่งไปเพราะสันตติยังไม่ขาดจะรู้สึกว่าจิตวิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้ววิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้ววิ่งกลับมาการที่เห็นวิ่งกลับไปกลับมานะยังรู้สึกว่าเป็นตัวเดิมอยู่อันนี้สันตติยังไม่ขาดยังไม่ขึ้นวิปัสสนา แต่ถ้าเราเห็นเลยจิตไปรู้อารมณ์ที่ตาแล้วก็ดับนะั้นมาเกิดจิต ท, ที่ใจแทนจิต ท, ที่ใจอยู่แวบเดียวดับไปเกิดจิต ท, ที่หูแทนนี่เรียกสันตะติขาดตรงนี้แหละขึ้นวิปัสสนาจริงๆในการดูจิตนะถ้าเรายังเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยสันตติยังไม่ขาดความสืบเนื่องยังไม่ขาดยังรู้สึกว่ามีตัวตนถาวร อ, อยู่นั่นะเราใครรู้สึกไปหนะ้าจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดั บ, ดบมีอย่างนี้เรื่อยๆไปนะเกิดที่ใจใช่ไหม มีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลเกิดร่วมได้เกิดที่ตาเฉยๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีกุศลอกุศลเกิดที่ตานะขณะที่ตามองเห็นเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วนะเฉยๆเป็นอุเบกขานะมาสุขทุกข์ดีชั่วตรงที่จิตเกิดที่ใจนี่แหละนะค่อยๆไปฝึกนะฝึกไปถ้าเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับแรกหลุดออกมาจากโลกของความคิดรู้สึกตัวเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจทํางานไปเรื่อยนะ ทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับนะส่วนอารมณ์ทั้งไหลนั้นไหลมาไหลไปไปดูอย่างนี้นะวันหนึ่งก็จะเป็นพระอริยะขึ้นมาหรอกเชิญทานข้าวนิมนต์เลยครับ